พ่อคำเขียนเคยเล่าให้ฟังว่ามีคราหนึ่งมีอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดโมก็มีโยมคนหนึ่งก็ตั้งใจในการปฏิบัติทำวัดเช้าวัดเย็นก็ไม่ได้ขาดร็จแล้ววันหนึ่งก็ไม่เห็นโยมคนนั้นมาทำวัดเช้า ได้เวลาอาหารก็ไม่เห็นมาตักอาหารหลวงพ่อก็เลยแวะไปหาที่กุตตาไม่รู้ว่าป่วยหรือเปล่าพอไปถึงไถามเรียกถามที่หน้ากุติเขาก็พกูดออกมาว่าหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วย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 ติดค้างอยู่นั่นเป็นชั่วโมงอยู่ทั้งหลังอาหารเช้าไปแล้วก็นึกดูคงสามสี่ชั่วโมงติดค้างงั้นแหละก็ อ, อยู่ในท่าสร้างจังหวะแต่วันไปต่อไม่ได้ดนอนติดทําไงก็เอามือไม่ลงหลวงพ่อดูว่าเขาติดอารมณ์ก็เลยแก้อารม์แต่ไม่ได้แก่ด้วยการ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 อาจจะเป็นเพ่งที่มือแลเปไปเพ่งที่ความคิดอาการเพ่งนี่มันทำให้เกิดผลแปลกๆอย่างสมัยอาตมาปฏิบัติใหม่ๆสองสามอาทิตย์แรกนี่มีปัญหามากเพราะว่าตั้งใจปฏิบัติเวลาจะเดินสติสร้างจังหวะเดินตนโกลนี้ มันฟุ้งมากเลยพยายามที่จะรู้ทันความคิดมันก็ไม่ทันจงกระทั่งตหลงต้องไปดักความคิดว่ามันจะมาคิดเรื่องนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนพอมันโผลม่มาเรื่องนั้นเราก็ตบปลมันเลยเรารู้ว่ามันจะไปในแนวน้นก็ตบปลมมันมันก็เลิกคิดเรื่องนั้นนะหรือคิดน้อยลงแจำไปโผล่เรื่องอื่น เรื่องงานเรื่องการเราก็ห้ามไม่ให้มันคิดเรารู้ทันตอนตักหน้าไว้แล้วก็ไปโผลเรื่องอื่นไปโผลเรื่องที่ทํางานแล้วคราวนี้ไปโผล่เรื่องที่มาเราก็ตะโกนอีกอันนึงก็ไปไปหาเรื่องคิดที่มันแยกขายมากขึ้นเช่นขบคิดเรื่องธรรมะเรื่องที่หลงพ่อเทียนแสดงธรรม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 มันนักอื้งมันหนักอึ้งที่ใจน่ะอึ้งที่หัวแต่ความที่มันเงียบนะมันหายมันโผมาก็โผลมานิดหน่อยๆโผมาแล้วก็ตะกบโผมาแล้วก็ตะกบห้ามมันเอาไว้แต่พอกลางคืนเข้ากลางคืนนี่มันฟุ่งใหญ่เลยมันพังพรูมันก็มันดังไส้ออกมาคือพอเราเผลอมันก็ออกมาเยอะแยะ แล้วก็เค้ห้ามมันก็เอาไม่อยู่นอนไม่หลับผมไม่ใช่แค่นั้นนี่ยพอพอลุ่นที่ปฏิบัติเอาจริงจังมานึ่งครานี้มันเริ่มปวดแล้วเริ่มปวดปวดที่ขาบ้างปวดที่แขนบ้างแล้วก็หนักขนาดที่เรียกว่าพอยกมือสร้างจังหวดแค่ไม่ถึงนาทีอน่ยมันเครียดขึ้นมาเลยเครียดจนทําต่อไม่ได้ เพราะว่าหลายก็ปวดแล้วก็มันเครียดจนตึงจนหมดที่หัวทีนี้ก็พอหลวงต่อคำเทีย ม, มาสอบอารมก็พอจะได้จับสาเหตุได้ว่าเป็นพ่อเราไ ป, ไปเพ่งมากไปเราไปเพ่งทั้งที่ในพื้ตัวความคิด อยูไปดักรอมันไว้เลยแล้วก็เตรียมตะวปลกเตรียมห่ามันอันนี้เป็นเพราะความตั้งใจมากเป็นความตั้งใจแล้วเป็นความอยากตัว น, นั้นไม่ไม่รู้ว่าเป็นความอยากคือมันอยากจะเอาชนะความคิดมันอยากจะสงบมันอยากจะมีสติไวๆความอยากนี่ทำให้เราทำทุกอย่างรวมไปทั้งไปควบคุมบังคับความคิด เนั้นที่มันมันไม่ยอมให้เราบัง ค, คับเราไปตบปมันมากๆมันก็หลบหน่แล้วก็อัดนั่นมากคือเรื่อยๆอัดอัดอดอดพอถึงจุดหนึ่งก็ระเบิดออกมาระเบิดมาเป็นความทุกข์ทุกข์ซาระเบิดออกมาเป็นความาเจ็บ ค, ความปวดตามจิตต่างๆที่เรามักจะเป็นอยู่แล้วคือเป็นคนที่ชอบปวดไหลอยู่แล้วพอเคมากๆก็ประทุมมาทั้งนั้น มันกเอาคามจะระเบิดมันก็ระเบิดตรจุดที่มันอ่อนที่สุดนถะ้า แ, แม่รักษาออกแขนหายขาหายปวดแต่มันก็ก็เครียดอีกจะถอนจากความเครียดนี่ยากมากเลยเพราะว่าสร้างจังหวะทีไล่มันก็เป็นเดินตรงกลมก็ไม่ค่อยได้เพราขา ย, ยังไม่ค่อยหายดีก็เลยมันกิดตกยในสภาพที่เรียกว่าไปไหนไม่รอดท้อแท้ขึ้นมา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 ก็เลยแค่ประคองตัวเอาไว้เหมื่ออาทิตย์เดียวประคองตัวไว้ให้การปฏิบัติให้ให้ครบเดือนเท่า น, นั้นเองเลิกหวังแล้วแต่ว่ามันก็ยังเครียดอยู่เรื่อยๆออีเรียบทที่เลยที่ใช้ที่ทําก็คือการนั่งมือขึ้ น, นิ้พวพอสร้างจังหวะ ก, ก็ไม่ได้เดินยองโกมก็ไม่ไหวพอโกว่ามันดีขึ้นไง ม, มันดีขึ้นเพราะว่าจิตของเรานี่มัน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 เพราะนั่นเนี่ยที่หลวงพ่อเขียนได้ยกตัวอย่างของพอออกคนยังขึ้นมานี่มันก็เป็นอาการคล้ายๆแต่เขาหนักกว่าพรเขาเพ่งเพ่งเข้าไปเต็มที่เลยการปฏิบัตินี่เราต้องระวังให้ดีนะเผลอก็ไม่ใช่ทางเพ่งก็ไม่ใช่ทางการปล่อยใจลอยคุ้งอันนั้นเราทําไปประจําอยู่แล้วไม่มีทางที่จะ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 เขไปเห็นนี่ไม่ใช่เห็นด้วยความตั้งใจด้วยการ บ, างรบังคับให้มันเข้าไปเห็นนะแต่ว่าจิตเห็นเองเพราะระลึกได้ความระลึกได้ไวเท่าไหรก่ก็เห็นเร็วเท่านั้นแล้วก็จะรู้ได้ไวเมื่อรู้แล้วก็จะละแต่ถ้าเข้าไป บ, งบังคับให้มันเข้าไปเห็นมันก็จะกลายเข้าไปเป็นทันทีเลยเข้าไปเห็นความคิดโนเลบไปเป็นความคิดเลย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 สัรหานี่มันอยากจะได้อยากจะได้มีอยากจะได้เสกแต่ว่าชันทานี่มันชอบมาถึงความชอบที่จะได้ทําคือชอบที่จะประกอบเพจผลจะเป็นอย่างไรไม่สนใจไม่ใส่ใจเท่าไหร่แต่ชันทานี่มันจะไปมุ่งที่ตัวผลคือมันอยากได้ผลนะที่ไปตอบสนองตัวตนเช่นถ้าเอาชนะ กิเลสได้เอาชนะความฟุ้งซ่านได้มันก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรู้สึว่าฉันเป็นผู้ชนะหรือว่าสามารถจะไปอวดคนได้สามารถจะไปผู้โชวหรืออวดได้ว่าฉันปฏิบัติเก่งอย่านเป็นเก่งอย่างนี้แต่จริงๆแ้ไม่โชวใครไม่อวดใครก็อวดตัวเองก็ก็ย่งดีอันนี้เรียกว่าตันถะเราก็ต้องต้องระวัง นะเปลี่ยนตันห้ายเป็นฉันชั้นนะคือไม่สนใจผลแต่ว่ามุ่งประกอบเหตุที่ความพอใจที่ได้ทาเพราะว่าถ้าเราประกอบเหตุดีผลมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องแสดงตัวออกมาเหมือนกับเรามีเราลดน้ำกล้าไม้เ้ราเราลดน้าด้วยความเพียรด้วยความใส่ใจห ร, หรือถูกทางคนไม้มันก็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 ให้สูงก็จะออกมาเป็นตัวจนได้แต่ทาไมฟักไข่แม่จะอยากให้มันออกมามันก็ไม่ออกมาลูกไก่ก็ไม่ออกมามันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราเพรงข้ามความอยากของเราอาจจะทําให้มันเกิดปัญหาได้เฉพาะกา ร, ปรเปลี่ยนทางจิตซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดออกอย่างการฟักไข่หรืออย่างการลดน้ําต้นไม้นี่เราอาจจะลดน้ําไปด้วยอยากไปด้วยก็ได้ลดน้ําไปด้วย ขอรองมันให้ hey, ต้นไม้ออกดอกออกผลเร็วๆ ท, ทําไปด้วยความอยาก ท, ทําไปด้วยความทำไปด้วยตัณหามันก็ยังพอได้นะเพราะการลดน้าต้นไม้มันเป็นกิจที่ไม่ไม่ใช่ละเอียดอ่อนแต่เรื่องการว่าเป็นสมาธิพอมามเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพียงแค่จิตมีความอยากมีตัณหาเข้ามาจิตนั้นก็เสียสมดุลละถ้าเมื่อกี่จักรยานก็เหมือนก็นว่า ตัวเอเียงเอีงยงเอียงมากๆมันก็ลมขึ้นมาหนึ่งไปต่อไม่ได้การปฏิบัติเจริญสติเมื่อเมื่อการต้องสายการประคองจิตให้อยู่บนทางสายกลางเหมือนกับเราประคองตัวเวลาขั บ, บรถจะไปยานเราก็ต้องประคองอยู่บนทางสายกลางคือทรงตัวให้ได้สมดุลไม่ใชเอียงไปทางซ้ายมากไปเอียงไปทางขวามากไปมันก็ลมทางสายกลางการเจริญสติทุกการ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 หรือข้ามพ่วงกิเลสได้อย่างไรรุจาก็กลับตอบว่าพระองค์ไม่พักแล้วก็ไม่เพียรจึงข้ามอกคาสงสารได้ไม่พักมีหมายถึงอะไรไม่พักหมายถึงการไม่ปรุงแต่งไปตามฝ่ายฝ่ายกิเลสคือไม่ยอมตามกิเลสไม่เพียรคืออะไรไม่เพียรคือไม่ไม่ปรุงแต่งไปฝ่ายบวกหรือฝ่ายที่เราปรุงอยากที่สำคัญ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 บางกิกรรมที่แบบเราก็ติดตีอยากจะได้ความสงบอยากจะเกิดปัญญาอยากจะรู้รู่นานอยากจะไปนิพพานเข้าถึงนิพพานทําด้วยความตั้งใจมากไปทําด้วยความอยากเติดตอนี่พระอาจารย์กล่าวไว้เลว่าเนี่ยพวนี้ไม่ทั้งไม่พักแล้วก็ไม่เปลี่ยนจึงข้ามโอกาสสงสารหด้ ความไม่ไม่เพียรในที่นี้หมายถึงเมื่อมันไม่ทําอะไรนะแต่ว่าทําด้วยความที่จะไม่ไม่ติดดีในการปฏิบัติและตรนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ความแยกขายประคองใจคระคองใจให้ดีอย่างที่ได้พูดแว้งแต่สอสมันก่อนว่าต้องลองฝึกทําเหมือนกับเล่นๆโดูแต่ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆ เราอยู่กับทางสุดตรงมาเป็นเป็นนิสัยนะคือถ้าไม่ขี้เกียจปล่อยตัวปล่อ ย, อยใจไปสบายๆก็โหมเป็นที่จะทําแล้วก็ทําด้วยความเพ่งด้วยความบังคับขั บ, บสาตัวเองอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่ถูกเลยเพราะเมื่อมันปฏิบัติทำไงถึงจะเราไม่ขี้เกียจแต่ว่าก็ไม่ได้ทำด้วยความโหม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 ที่ใหญ่ก็ต้องออากิเลสมันรอว่าได้ผลนัสบางก็ได้เลื่อนตำแหน่งบางคนเราติดในอยากได้รังวัลก็ต้องโหมต้องทุ่มอันนี้เป็นวิธีทางโลกแต่วิธีทางทางธรรมนี่มันจะทุ่มก็กได้แต่มันไม่ได้ผลหรอกมันกลับทำให้เนินชาช้าสิออย่างโยมคนเนี้ที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนเราเนี่ยยิ่งตั้งใจยิ่งกลับช้า ยิ่งอยากถึงมันจัดยิ่งถึงช้าลงาการปฏิบัติียิ่งอยากได้กลับไม่ได้แต่พอไม่ได้นี่กลับได้เจ้าตมาเนี่พอพอหมดหวังแล้วที่จะปฏิบัติเออการเจริญสติมันก้าวหน้าขึ้นเพราะว่าเราทำไปแบบค่าเวลานะทำไปแบบค่าเวลาเพื่อให้หมดไปวันๆจะได้ครบเดือนก็ได้ฝ่ายสักทีทำแบบค่าเวลา เราก็ไม่รวยการทําอย่างนั้นนี่มันคือการที่เราค่อยๆคลายจากการเพ่งออกนอก mm hmm. เพ่งข้าในใจหลวงพ่เกิดสมดุลระหว่างเพง่งระหว่างในกับนอกขึ้นมาอย่างที่เรางพ่อเขียนไดในหรือว่าความเขียนที่เคยเลฟังเอาก่อนว่าอยู่ในกุเิมันไม่เห็นอะไรเห็นแต่ข้างไหนต้องเปิดประตูกมาก็จะเห็นทั้งทางนอกและข้างในให้ประคองใจไว้อย่างนั้น คือมีความสมดุลเพยงข่างหนมันก็สุดตรงทางหรือว่าปล่อยออกนอกก็สุดตรงทางมันต้องอยู่ตรงกลางมันจะกทัณนีประตูนี่แหละเห็นทั้ทข้างนอกข้างในงอันนี้เป็นมันเป็นศิลปะมากเลยต้องอาศัยความละเอียด อ, อย่อนแต่ว่าละเอียดอ่อนนี้มันมันไม่ใช่ว่าจะจะต้องบังคับเอา แต่ว่าอาศัยการปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ค่อยรู้ค่อยปรับค่อยแต่งขี่จักรยานขี่จักรยา น, นมาต้นมาก็ลม้มล้มแล้วเราก็ค่อยขี่ขี่ไปแล้วก็ค่อยรู้แล้วว่าจะส่งตัวอย่างไรมันถึงจะสมดุลรถมันจะตั้งได้จะไปต่อได้เรื่อยๆมันเป็นศรริลปะแน่ที่ว่าอาศัยการปฏิบัติจนคุณ้นจนชินแล้วก็ค่อยรู้ค่อยเรียนรู้ไปอธิบายไม่ได้เหมือนกับจะอธิบาย ว่าจะประคองตัวยังไงที่นีขับจักรยานได้เราประคองรออธิบายคนที่ขับไม่เป็นอธิบายเขาิบายไม่ถูกเขาต้องลงมือปฏิบัติเองแล้วเขาก็จะค่อยรู้โดยตัวเองอันนี้ที่เรียกว่าสันติทโกอันนี้ก็ให้มีความมีความพยายามโดยที่ไม่ต้องอยากมีความพยายามโดยที่ไม่ต้องอยากถ้าอยากก็เป็นอยากที่เป็นฉันทะคืออยากจะทําไม่ต้องไปคำนึงผล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 แต่เราก็เขียนไปเรื่อยๆจนในสุขก็เป็นตัวได้หรือเราตอนที่เราเด็กกว่า น, นั้นเราเป็นทารกเราจะเดินนี่เดินที่ไหรก็ล้มทุกทีเดินที่ไหรก็ล้มทุกทีแต่เราก็ไม่เค ย, อยพอแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินนั่นแหละลุกขึ้นมาเดินนั่นแหละในสุขก็เดินเป็นเดนได้ใ น, นจัหวัดสำเร็จได้ดยความเพียร จะเป็นความเพียรคนละอย่างกับพี่ผู้จ้จไดๆจอดไว้ที่ว่าไม่พักและไม่เพียร